ระดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรม ะ, ะทางเจ้าภาพแล้วก็คณะญาติญาติก็ได้ถือโอกาสกลับราตนาณิมนต์ท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชมาแสดงธรรม ะ, อ, ะองค์ท่านก็มีความเมตตาต่อผู้ที่วายชนและก็คณะญาติญาติรวมถึงพวกเราทุกคนก็ได้มาแสดงธรรมะในวันนี้ขากลับท่านอาจารย์นะครับ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 ร่วงไปร่วงไปเรื่อยๆเสียเวลาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้เวลาที่ซื้อไม่ไม่ได้จริงหรอกพวกเราต้องดำารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคาว่าไม่ประมาทก็คือต้องมีสติไปเรื่อยๆนะสตินั้นจำเป็นใน ท, ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติก็เหมือนตายแล้วถ้มีสติอยู่ก็เรียกว่ายัางมีชีวิตอยู่งนคนในโลกนี่มันตายตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายพวกเรา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 ในคนทั้งหลายเนี่ยมันคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆมีญาติเรามีพี่น้องเรามีพ่อแม่มีโ น, น้นมีนี่นะพอเขาตายไปมันก็เศร้าโศกชาวพุทธไม่เศร้าโศกหรอกนะเราก็เห็นแค่ว่ารูปธรรมนามธรรมามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้นะใจก็ไม่ไม่มีความเศร้าโศกนะไม่มีความลังเลสงสัยในธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะไม่ยากอะไรหรอกฝึกไปนะมันยากตรงที่เราไม่ยอมปฏิบัตินะเราชอบคิดเอาเอง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 นิ่งเราขยันรู้เท่าไหร่ก็เท่ากับเราทําการบ้านทั้งวันมันก็เก่งเลยวะสิถ้านานๆรู้ทีหนึง่งก็ไม่เก่งนะหรือไม่ยอมรู้เลยหลงไปลูกเดียวใช้ไม่ได้อย่าใจลอยนะอย่ารู้สึกตัวอย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งตัวเองให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งนะให้กายเป็นเคลื่อนไหวให้จิตมันเคลื่อนไหวแล้วมีส ต, ติตามรู้ไปเรื่อย